ได้มาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดอย่างไรเนี่ยนะท่านมาพักทีละอาทิตย์บางที่เกือบสองอาทิตย์จากนั้นก็ท่านก็กลับไปแต่สมัยนั้นท่านเป็นสาธารณโภคผลอยู่นะเจ้าคุณวินแล้วก็มีพระติดตามมาองสองสามองค์ที่นั่งรถตู้มาก็มีเจา้าโดมมาสามสี่คนห้าคนที่นั่งรถมาพร้อมกันอจากนั้นก็ อ, อ๋อ ท่านก็อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนะนะและก็พระฟรังพระพอฝรังทั้งหมดที่ลงตารับมาสั่งแนะนำสั่งสอนก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยองค์นี้แหละองค์ที่สิ้นพระชนสมเด็จยาณสังวรเป็นผู้บวชให้พระฟรังบัดบวชให้ท่านปัญญาท่านเชอรี่ท่านดิกท่านเอียนท่านอะไรท่าน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 วงกรรมฐานกับเจาพระคุณสมเด็จที่ท่านสินพระชนให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษ า, อาตอนนี้ไปรับพรในตนนีนนะ